ยายีเรียเรื่องวาสนาของหมา <S <S 2> <S 2> เรื่องมีอยู่ว่ามีหมาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก ในค่ำของคืนวันหนึ่งเป็นคืนวันเพนเดือนหงายขึ้น15บ้าค่พระจันทร์เต็มดวงทอแสงดวนใหญ่สองโลกให้สวยงามยิ่งนักจะหมาป่าเฝ้าแต่มองจ้องดวงจันใจก็พลันคิดไปคิดท้าเยอทะยานอยากใหญ่ใฝ่ฝันอันเจิดจ้าว่าข้านี่แหละนะอยากจะเป็นดวงจันอยากจะทำหน้าที่สองโลก ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เชยชมด้วยแรงแห่งความปรารถนาสักครู่ใหญ่ต่อมาปัญญาแบบหมาหมาก็เกิดผุดขึ้นในใจความฝันอันสูงส่งจะเป็นจริงได้จะต้องพึ่งพาอาศัยท่านผู้มีฤทธิ์ท่านผู้มีความศักดิ์สิทธิ์คงจะให้เราสถิตบนนภารำพึงแล้วมิรอช้ารีบมุ่งหน้าสู่อสมฤษี รีบบอกเอ่ยเผยว่าจีว่าข้ามาครานี้ขอพึ่งพาขอท่านจงโปรดเมตตาจงเนรมิตรให้ข้าเป็นดวงจันทร์ความฝันพลันเป็นจริงเขาดีใจมากล้นในวาสนาของตนที่ได้ก้าวมาเป็นใหญ่เป็นโตโอ้โหโอ้โหนี่หรือวาสนาเรา เ่าเพิ่งจะปลื้มมิทันนานได้พบพานอุปสรรคดวงจันทร์อันเป็นที่รักจำต้องแปลเปลี่ยนไปเพราะจะเมฆก้อนใหญ่หลายพัดผ่านมาปกคลุมแสงสว่างที่เคยผ่องใสนวลใยพลันมืดลงคิดแล้วไม่ยอมปลงตรงไปหาท่านฤาษีอีกคราอยากกระนั้นเลยพ่อท่าน ขอกรุณาจงเป่าเศษอยากจะได้เป็นเอกขอเป็นเมฆเถิดคงจะเลิศกว่าดวงเดือนฤาษีท่านขยันรีบผลุนผลนแสดงฤทธาได้เป็นเมฆสมใจใครหรือจะมาสู้ข่าแม้นเจ้าหมูดารายัางเกิดไฟฟาจนหมดงามได้เป็นเมฆข่านองเมฆมิทันนาน มีเหตุการ์เข้ามาใหม่คือได้เกิดลมพายุใหญ่ผ่านพัดเมฆให้ต้องกระจายจิตใจเจ้าหมาต้องเล่าร้อนต้องวิ่งว่อนพบฤษีคุณพ่อครับช่วยลูกทีลูกอยากจะเป็นลมที่ไหนร้อนระอุข้าจะพัดให้ร่มเย็นพอให้เป็นลมสมใจหมายก่อความวุ่นวายไม่ยอมหยุด จนมาสะดุดย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคพัดผลักแล้วผลักจะล้มยักเกิดอ่อนแรงเมื่อได้เจอของแข็งพัดจอมปลวกไม่ยอมพังเป็นเหตุให้มันนั่งจับเจ้าเป็นทุกข์ใจสมสารไปพบพ่อฤสีว่าลูกนีจนปัญญาขอเลื่อนอาสาขอเป็นจอมปลวกต่อไป เป็นได้ไม่นานเท่าไรจะควายใหญ่เข้ามาขิดขิดแล้วขิดจนบุดวิดพังทลายเป็นจอมปลวกนึกว่าดีแล้วยังไม่แคล้วมาแพ้ควายได้เห็นทีจะเบื่อนายขอเป็นควายเถิดเจ้าประคุณจะควายเปรียวแสนเกเรชอบเที่ยวเตรอาละวาดทำแบบไม่ฉลาดขิดของขาดเสียหาย ต้องเดือดร้อนถึงเจ้าของควายต้องวุ่นวายหาเชือกมันิลามาใส่คอจนมั่นคงหมดโอกาสทรนงได้ยืนง ง, งเหงาหงอยต้องเดือดร้อนท่านฤสีช่วยอีกทีขอเป็นเชือกฤสีไม่มีทางเลือกเสกให้เป็นเชือกต่อไปได้เป็นเชือกสมใจหมายคงสบายแล้วแหละเราแม้แต่ควายยั ง, งโง่เขลา ยอมแพ้ราวไปหนึ่งรายเหตุการณ์ไม่ใช่หยุดลงแค่นี้สุดที่จะเดาเพราะเจ้าหนูน้อยแวะเวียนมากัดเฝ้าเอาเขี้ยวมาแทะเลมเชือกใหญ่แสนใหญ่ทนไม่ไหวกับเขี้ยวหนูเห็นท่าจะทนไม่อยู่ถูกเจ้าหนูกัดไปคิดแล้วแ้นต้องวิ่งแจ้นสู่อาสมบอกกล่าวพ่ออย่างตรอมตรม ขมขื่นในโอราช่วยลูกอีกทีเถิดนะว่าเป็นหนูคงดีออกจากเชือกขอเลือกมาเป็นหนูเพียงได้เป็นชั่วครู่ถูกแมวขู่กีดกินเฮอขอเป็นแมวเถิดครับพ่อจะได้ไม่ท้อต่อฝีมือใครคงฉลาดว่องไวป้องกันภัยได้ทุกแง่พอเป็นแมวไม่ทันไร ถูกหมาใหญ่เข้ามารังแกเห็นท่าจะแย่เป็นแมวต่อไปไม่ไหวตัดสินใจอำลาวิ่งกราบบาทาลูกขอเป็นหมาดังเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเยอถ้ายานอะไรกันนักหนาขอให้ดูวาสนาของตนไม่ว่าหมาว่าคนล้วนแต่เขาสมมุติให้เป็น บรนปลายสุดท้ายเตี้ยลงเตี้ยลงปรงเสียเถิด